คนที่เร่าร้อนโอดโอยแทนขาคือจิตของเราเองต่างหากสําหรับท่านั่งสมาธินั้นนอกจากคําว่าคูบันลังแล้วยังมีภาษาเก่าที่ตายไปอีกแล้วอีกคําหนึ่งคือคําว่านั่งแผนังเชิงเชิงคือเท้าผนังคือทับซ้อนต่อมาคนรุ่นหลังออกเสียงเพียเ้ยนไปเป็นคําว่าพนันเชิงเวลาเนี้ย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 ดินฟ้าเปลี่ยนแปลงรับปลาใจว่ามีรู้สิ้น